ก็คนนือยพยายามพยายามอาดัดให้ได้ไปตรงไหนกะเอาสักหน่อยนาทีสิบนาทีเราใครก็ทำรอไปตอนแราจะไม่ได้ทำยาวเหมือนเดิมแต่ว่าติอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนไปสอนคนญี่ปุ่นทำด้วยนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ดีใจด้วยนอกจากสอนตัวเองได้เราจด้วย พอสนใจเงยบอกว่าไอส่วนดีไปต้องหลายวันไปทำอะไรอาหรอกก็ไปทำเรี่อละค่ะเลยโฆษณาเนี่ยเออเออถ้าฝืนก็ค่ะถ้าฝืนก็ทำได้ได้แล้วเรื่องนงานะคือน้ำหนักเลยไม่ได้กินมือเย็นอืมพร้อมเลยแล้วก็ชอปปิ้งก็ซื้อน้ำดื่มอืมแต่ยังซื้อยู่ สู่ยูแน่นอนนั่นส่ยนอยลงเออเ อ, อดีแล้วดีแล้ ว, ลวค่อยฝึกไปยฝึกัอื่นแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ได้กดเพราะว่าเพราะว่าบางที่บบเดือดัอเดยวกับกมันดึกตื่นตื่นก็ตเองรีบ่นีน ล, ยนลยนก็เลยได้กดแต่ก็พยายามปฏิบัตินแบบนะแต่ในช่วงที่ว่าเอานิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยทยังไงช่วงนาทีสิบนาทีในช่วงที่เรา ไปรอใครไหนก็ไปเดินเดิเดินรอเขาแค่เี่ยงนะก็เดินเดินรอเดินไปย้อนมาอยู่แถวนั้นบางทีแบบเหมือนอคนเยอะนะบางทีเราวรอคนนู้นรอคนนี้ก็ไปเดินนาทีสิบนาทีเก็บเออเก็บเลกอออย่างเงี้ยดีทำอย่างนี้ดีแต่ทาไม่บ่อยทำอย่างเี้ยดีทำไม่บ่อย จริงก็พยายามมันสึกเกก็กินน้อลงนะพอพอเคี้ละเอียดเอียดปุ๊บแป๊บเดียวมันก็อิ่แล้วเออนั่นก็เลยเยอิ่มร็วอือ็ือแต่ของชอบก็ยังไม่ค่อยฝืนเท่าไรก็ยังกินเยอะอยู่พยายามไม่ให้เดือดของชอบระวังดีๆ แต่ก็ที่ไปปฏิบัติของป้าชูมาเขาก็ปฏิบุยาตอำมากสิบห้าชั่วโมงโอ้โหชุดใหญ่แลอ่าอแล้วเป็นไงบ้างก็กลับมาถึงเขาเขาเขาดีช่วงบ่ายเขามีนอนด้วยยี่นาทีแต่เขาไม่ยิบนอนก็นเรียกพักหลังเลยก็เ อ, ขอเขาพักเสร็จปุ๊บก็กีดีคือหมายถึงว่าจะตื่นเลยแต่ไม่ถ้าเกิดว่าช่วงช่วงวง่วงก็จะมีช่วงบ่ายหละกินข้าวอะไรเงี้ย เรได้พักหลับก็ดีอืมแต่ดูลุงหลวงก็สุดเหยียบเขาก็จะเป็นคนอายุน้อยๆว่าขยันกันยังเลยคือแบบเรานี่หล au ับไม่ได้เลยเพราะคนอื่นเขาแบบไม่อยู่เลยออืมอืมอื้สภาพบรดล้อมก็จะบังคับให้ใช่ๆแล้วเขาก็ไปคุยกันได้เขาเพิ่มคนมากเลยเราปราชุมครับแต่้ี่ปั๊แล้วประชุแนะนำอะไรบางประชุแนะนำอะไรบ้างเขาแนะนําว่าเอ่อ ให้ทําจิเลียอะไรก็แล้วแต่ทำํำจิเลียแล้วก็ให้ให้ใจอย่างดีใจดีทําอะไรอย่ยนเช่นเวลาเวลาเดินก็ e. จะทําอะไรก็เพราะว่าตอนเดินเดินอยู่เนี่ยค่ะดีๆในหัวมันก็มีเพลงเพลงมันมีเพลงหนึ่งที่ก่อนไปเนี่ยเสียงมันจะดังตลอดชอบฟังมากฟังทีไรรอบเลยเป็นเพลงเพลงฮิปสเตอร์นั่นก็มัน ทำงานใดไปฟังไปออกกำลังกายฟังไปบ้านไในหัวมันก็ดังหลาดก็ไปถามป้าป้าก็มาอ่าก็เพราะว่าชอบไปฟังตอนที่ทํางานอยู่อ่ะไม่รู้สึกตัว ก, ก็เลยต้องใช้จำเนี่ยฉันั้นเป็นคดห้ามทำสองอย่างเลยเวลาเดียวกันคือฟังกาลังกายไปฟังเพลงไปไม่ทำพ่อป้าไปจะทำไปเนี้ยไม่ได้ทำ เพราะว่ามันเหมือนจะฟังแล้วไม่รู้สึกหวไเลยว่าอกเออนะคะโอ้กหเดินอยู่ท่าวันกว่าเพลงมันจะหายจากหัววันสุดทางเลยค่ะคือเลยว่าบอกเคสๆนี้จะพยายามไม่ไม่ไม่องเพลงหรือฟังอะไรโดยที่ไม่อยูเสียงโผล่เห็นตัวชงกายกรรมวุชีกรรมไหมอ่ะโนกรมไหมล่ะโอ้ไม่ใช่มันติดังตอนเดอนเนี่ยมันแบบโอ้โหมันดังมักคือแบบเสียงข้างนอกก็ยังไม่ดังเท่ากับเสียงในหัวเรา แถวข้างๆข้างหลังเขาเนี่ยเสียงดังมากเลยปึ้บในเพลงเหนือยแล้วยังทอตัดได้แต่เสียงในหัวเราในเวลามันดังนี้ยปิดไม่อยู่เลยปิดไม่ลงแล้วไม่รู้จะปิดยังไงเพราะมันจะวิ่งมาตลอดเลยมันเข้ามาตลอดไปทางเข้าไปก็ทํำยังไงเขาบอกว่าว่าเดินต่อไป <c oughs> ใช่ก่บนเพราะว่ารู้สึกตัวเป็นธรรมาชาติดีขึ้นไหมละ่ะ ช่วงช่วงหยุดนี่นก็ดีนะคะช่วงที่อยู่นะต้องเป็นเวลาเดินให้เป็นรู้สึกคือปกติเวลาเดินอยู่ก็จะรู้สึกนะไต้สั่งเท้าไม่รู้สึกถึงขงับบางต้องการรู้สึกถึงเอวถึงไหล่ถึงขวานอะไรนะแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้สึกบางทีก็เพ่งมากไปพอกลับมาถึงออกมาจากนอกคอสเนี่ยมันจะนานหนักเข้าไปสองสามทีมันก็เหมือนกับไม่ได้มุกไปเลยมักหายไปเลย มันแบบวุ้ยไม่เป็นไรนะไม่เหายไรแม่อาจารย์สด็กก็ลืมตัวคือแบบเป็นิปุ๊มันแบบองานยุ่งมากแบบเพราะว่าก่อนไปนยุ่งใช่ไหมทำไมมันหายอันเนี้ยอาจารย์บานทีความรู้สึกตัวเปิธรรมชาติของเราอ่ะมันไม่ทำนานเราทานานแต่ความรู้สึกตัวในการทาขึ้นได้ öh ทําขึ้นเด้รู้ ให้รู้สึกตัวแบบธรรมชาติเล่นๆไม่ได้รู้สึกตัวแบบธรรมชาติเล่นๆอ่ะเราไม่ชำนาญก็หัดรู้สึกตัวแบบธรรมชาติมั่งันึ่งิรู้สึกตัวแบบจังหวะสองอ่ะให้เกิดก่อนแล้วรู้ให้เกิดก่อนแล้วรู้ให้เกิดก่อนแล้วรู้ไปเรื่อยๆให้พรรษาจะถนัดต่างๆเกิดขว่าก่อนแล้วคยรู้แล้วปล่อยทิ้งเกิดก่อนแล้วรู้แล้วปล่อยทิ้งรู้แบบไม่ต้องตั <sadece S 2> ้งใจอ่ะมันจะรู้อะไรก็จังมันอ่าแต่จะบอกเแล้ว เป่นไรแค่บอกหนะหลายวันมันมีแรงเฉยเฮ้ยออกมาหายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนเว้ยให้เราฝึกอย่างเงี้ยเราฝึกเราฝึกในในรูปแบบมันเราจานาญในรูปแบบออกรูปแบบเราไม่ชํานาญในการรักษาเรืองมันได้กว่ารู้สึกตัวแบบทังขึ้นมาเจอรู้สึกแบบธรรมชาติรู้สึกตัวแบบธรรมชาติวบบา่าอยู่อยู ร, รอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ไปไหน แต่เราพุทธเจ้าแบบทำขึ้นอ่ะไปกับช่วงหนึ่งเราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาพอเราเลิกสร้างผุมันมันหายไปเลยมันหายเลยนะมากเลยครับอุแต่บงท่นอยู่ต้องม่เจริงมันไม่หายไปไหนหรอกแต่แต่เราไม่คุ้นแต่ความรู้สึกของราที่มีกระทบเรารับรู้กรบเรารับรู้ผลกระทบเรารับรู้ผลกระทบเรารับรู้เนี่ยมันได้อยู่ตลอดเวลาแหละแต่เราไม่ํานานเนี่ยทาการรูปแบบเดินมั่งนั่งมั่งนั่งมั่งเดินมั่งสร้าจังหวดมั่ง เนี่ยเรากราชำนาญในความรู้สึกตัวที่ทำขึ้นไม่ไม่ไม่ละส่วนธรรมชาติที่มีรอบรอบตัวทุกๆขนาดที่ตมาพยายังรู้ภาษาอจตนะที่มันมากระทบแลรู้กระทบรู้เพื่อให้เกิดการรู้สึกตัวทั่วพร้องพอเพื่อที่มันจะเกิดนี้หน่อยเล็กน้อยไรเออแตกกันพอเราทำพอทำบเวลราทิ้งก็ทิ้ง เรานะ่เราทำก็ทำก็เต็มที่แล้วถึงกับทิ้งเลยใช่ลองนี้มันงหัดแบบนี้หัดง่ายแบบควา ม, มรู้สตัวจังหวะสองเนะี่ยคือให้ผัดสะอายตะนักเกิดขึ้นแล้วพรู้สึกพอแล้วขนาดแบบไม่ไม่ต้อ ง, ง, งแบบแบบอุ้ยที่ขาที่แขนเวลากี่เลยไอ้ก้อนรู้สึกแบบธรรมชาติคือกับพิษตาก่อนแล้วค่อยรู้นะ เพิ่มเริ่อะไรก็ง่ายเราแบบนั้นนะเออเย็นร้อนกระทบร่างกายเราก่อนแล้วค่อรู้นะมันเจ็บนู่นเจ็บนี่ก่อนแล้วค่อรู้นะบางครั้งมันเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วค่อยรู้นะเนี่ยความรู้สึกในจังหวะของเนี่ยให้มันชํานาญขึ้นเล่นๆแต่พอพอแต่เราไม่ขึ้นไม่ชํานาญแบงนี้พวกเราจะทําขึ้นเช่นต้องต้องอยู่ในการสังเกตดูเวลามันทําขึ้นคือใจมันจะนําก่อนะใจจะนํากายแล้ว่าใจจะรู้่่ชอะ เดี๋ยวฉจะสร้างใจหวองแล้วนะเนี่ยใจนำแล้วเดี๋ยจะเป็นเดีวกลัวแล้วเนี่ยใจนํำยังไม่ได้เจอเลยใจมันนำแล้วอ่ามันก็ให้จะทำยังไงก่อนเออเนี่ยให้กายเดินก่อนให้กายเดินก่อนแล้วค่อยรู้เคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยรู้ให้เอารมณ์มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้แต่รู้ให้ไวอืรู้ให้ไวรู้ให้ไวตามที่เขาเป็นแล้วอย่าทําอะไรแล้วอย่าหัดทาอะไร รู้ตามที่เขาเกิดเขาจะฟงกับรู้ของฟุ้งเขาจะเบื่อรู้เขาเบื่อก็จะเผลอกับรู้เขาเผลอก็จะเฟือกับรู้เขาเฟื่อแล้วสติมันจะจําลักษณะของอารมณ์ได้ดีขึ้นพอมันจำได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเหมือนเราจําหน้าใครได้นั่นแหละพอหน้านี่มาแล้วกูรู้แล้วําได้แล้วหน้านี่มาแล้วจําได้แล้วส่วนใหญ่อารมณ์มันจะหน้าเดิมๆนั่นแหละแต่เราเราไม่มีเราไม่ทันจํามันอ่ะเราไปกับเขาก่อนอืม ต้องหัดไอ้รู้สึกกับธรรมชาติแต่เกิดขึ้นชิดเสียงอย่างเงี้ยมันจําได้ละเออเกิดอย่างงี้มันจําได้นะภาษาเย็นร้อนไอ้เองจําได้และกปิดตาขึ้นสบายจําได้ละเย็นร้อนอ่อนแข็งจําได้ละเสื่อมไหวเป็นจําได้ละเวลามันโกรธขึ้นมาจําได้เวลาเพ้อขึ้นมาก็จําได้เวลามันเออมัรุนหวาก็จําได้เวลามันสับสนก็จําได้มันจะจําอาการพวกนี้ได้อะไรหนูสติมันได้จําลักษณะ จังไว้ดีบนตัวสติมนันนะมันจะมีสลักษณะจริงๆคือหนึ่งทีละลักษณะสองอจัาลักษณะนี่คือหลักๆของมันทีละลักษณะกันจําแล้วกันตัวสะติแบบสัญญาเนี่ยอ่ากันจําแล้วเนีแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราอีกกะภาวะแบบสับซ้อนวุ่นวายเนี้ยคุณจะทำยังไงกับอารมณ์แบบนั้นนีองแล้วก็รู้ขามวุ่น่อยของมันซะ เร า, ราเราคือวุ<ง>่นวายของมันถ้าเราอยากให้หายไปถ้าเราอยากให้หายไปเนี่ยเราเริ่มวุ่นวายกับมันเลยอืมเร า, าวทำใจดีๆไปดูนะครับเวลามันวุ่นวายถ้าวุ่นวายเนี่ยเป็นอันหนึ่งตัวรู้เป็นอันหนึ่งแล้วจะทําอะไรกับวุ่นวายเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งจะดีๆถ้ามันวุ่นวายนะตัวรู้วุ่นวายแล้วไม่มีพฤติกรรมในจิตที่จะทําอะไรกับมันนะ่ะ มันเป็นแค่มันเป็นความรู้สึกเห็นความวุ่นวายแต่ตัวมันไม่ ไ, ได้ไวุ่นวายเอ่อแต่พยายามจะทําให้วุ่นวายนี้หายไปทําให้วุ่นวายนี้เลื่อนวุ่นวายไปกันใหญ่เลยผลช้ยไอ้คว า, ามวุ่นวายนั้นหายไปแล้วเหลือแต่ไอ้ตัววุ่นวายคือความอยากให้มันหายวุ่นวายนุ่งต่างห่างอออีกอันที่สองคือเราลองดูเวลาวุ่นวายเนะสังเกตัวว่า ปัสสาวะอายตนทางทางตาหูสมอกลิ่กายเหายไปไหมถ้ายังไม่หายนะมันจะไม่วุ่นวายด้วยแต่ถ้ามันหายเนี่ยคนนี้มันลืมไปเลยเนี่ยมันจะไปวุ่นวายจากความวุ่นวายนั้นแสดงว่าอ๋อมันเสิรเข้าไปในความวุ่นวายแล้ว อ, อ๋อคือระดับตัวใช่สังเกตดูสิมันนังวุนายแล้วมันเต็หมหดเลยวุ่นวายตั ว, ตวเองกาลังยืนอยู่ก็เดินอยู่ก็ลืมกำลังถืออะไรหนักหนักอยู่ก็ลืม เราจับปือโทรศัพท์อยู่ก็ลืมอย่างเงี้ยใช่ปอืมจะลืมได้ทุกสิ่งทุกอย่างรามับหายไม่ถี่นั่นีจิตมันลุก่มันหเออร่างกายมันหายไปการรับรู้มันหายไปอ่ะเนี่ยเขาไปในวุ่นวายแต่แค่มือนวุ่นวายนตาหูจมูกมืจ่ร่างกายยังมีอยู่ยังรับรู้ได้อยู่นะมันจะไม่มีจังหวะสามหรือไม่มีตัวคารู้สึกว่าต้องแก้ความวุ่นายใทั้งสิ้นเพราะมันม่นได้เข้าไปในวุ่นวาย แต่มันเห็นการวุ่นวายเข้าใจไแต่พติกรในการแก้ปัญหาทำยังถึงแจ็คเก็ตดทัดเนี่ยพฤติกรในการที่เข้าไปวุ่นวายเพราะหนึ่งใจเราชอบทาอะไรกับมันแทนที่จะรู้มันเฉยๆเนี่ยเป็นพฤติการทางใจนะสอเมื่อใจมันทาแล้วเอากายทำเอาวาจาทาไปตาไปด้วยมันก็เลยเสริมกลังมันใหญ่เลยอื๊ดแจ็เก็มันจะเห็นมันทันยังไงเนี่ย ก็มาอยู่กับไอความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติที่เกิดทางอเกิดการกระทบแล้วรู้เนี่ยคือซื่อๆตรงๆกับมันที่เป็นปัจจุบันบ่อยๆม่อยตัวเนี้ยตัวอารมณปัจจุบันเนี่ยบอกแล้วว่าจะเลี้ยงตัวรู้สึกตัวให้เติบโตต้องเลี้ยงไว้เที่ยารปัจจุบันอ่าค่ะอยู่เรื่อยไปหน้าแล้วลืมหลังอืมไปกันบิบแล้วเอ น้ำมีเอียงเนี่ยคือน้ำมีอยู่แบบเยอะๆวุ่นมากๆสับสนมากๆคนเยอะมากๆนี่มันปูมันท้าทายมากลองสังเกตดีๆเวลาคนเยอะๆวงมากเราเขาเป็นบุคคลหนึ่งในนั่นแล้วทำไมเราลืมตัวเราไปยุ่งยุ่เข่าอวดเราจะเปลการเขาไงให้เขาทําแบบที่เราต้องการให้เราไปเหลือบอกปูเนี้ยทุกวงในจัดการของก็ได้แต่กลัรู้เราไปด้วยไม่ได้อะเดี๋คลุกวงในจะลืมตัวเองเกี่ยง คือแบบจะดีจะไปจะให้เขาทําให้ได้นะคือแบบเออให้เขาทําให้ได้เหมือนกันแากเรื่ตัวเองได้ด้วยเนี่ยนี่เรีว่ามันไม่ชํานาญในการรู้ทางกายไม่ชํานาญในการรู้พันตะยตระที่มากระทบทางกายต้องทําให้จิตมันชานาญตัวนี้เป็นหลักชนาญการรู้ถึงรู้ไอ้การกระทบทางกายอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้เกิดขึ้นแล้วรู้เกิดขึ้นแล้วรู้บ่อยๆเวลาแบบกระทบเนี่ยเหมือนจะกระทบ จนกระทั่งเหรอมันมันเข้าไปที่ไหนแล้วมันยังเห็นแใจร่างกายอยู่ด้วยแล้วก็เห็นใจกระทั่งตัวเองอยู่ด้วยนั่นแหละคือเรียกว่ามันเริ่มชํานาญเดี๋ย้จะเข้ไปแล้วดูหมดเข้าไปแล้วดูตัวเองหมดเลยก็เลมันไม่ชํานานอือแล้วเวลาจำลักษณะมันเป็นลักษณะอะไรล่ะพระจะลักษณะที่ว่ามันเป็นลักษณะของปฏิกิริยาของร่างกายหรือว่าถหรือว่ามันเป็น เป็นภาพในหัวเราหรือเป็นเสียงหรือเป็นอะไรใ้ขณะที่เรามันจะมันจะเป็นอะไรก็ได้ของมันเนี่ยเราแค่รู้ลักษณะเราแค่รู้มันเฉยเฉยแต่เด็กๆมันจะจํำลักษณะเองมันจะเป็นภาพในหัวก็ได้จะเป็นเสียดตอบโต้ก็ได้จะเป็นความคุนค้นชินความเคยชินก็ได้จะเป็นสัจชาตญาณเดิมของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสัญชตญาณเดิมในการตอบตัว มึงมีที่จับตอบโต้ของเราเออท่าเกียรติดูเวลามีสิ่งนี้มาตอบเจอเห็นไหมว่าเวลาเราในลูกน้องอะบางคนเนี่ยมันก็มีปัญยาตอบโต้เป็นคนละด่านกับสิ่งที่เรานําเสนอพออะไรอืมแล้วก็เป็นวิสัยเขาแบบมันก็เถียงบางคนมันเงียบเงียบดื้อเงียบเลยบางครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย ในเรื่องที่เราทำเสนอเ พ, พื่อปั๊บเนี่ยจะมีมีมีปฏิกิริยาตอบโตอ้อยู่เรอ ย, อ ย, อ, ยอย่างเช่นทําไมการตอบโต่จึงไม่เหมือนกันอืมอ่มออานน อ, อ, นน อ, อย่างเช่นบางคนเนี่ยอ่ะบางคนควหนอนเนี้ยแต่บางคนก็ไม่ัวหนอนที่เห็นหนอนเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะเขาเขาบอกให้ความหมายของของตัวนั้นไม่เหมือนกันอืมแต่ตัวหนอนจะเหมือนกัน ไอ้ตัวนอนเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าพฤติกรรมในการตอบตัวเนี่ยไม่ต่างกันไงเอาบางคนเห็นหมารักหมาบางคนเห็นหมาแต่กลัวหมาเอาทําไมไม่เหมือนกันทั้งที่เห็นหมาเหมือนกันอ่าก็คือว่าเขาจําแล้วอันนี้ไปกับสิ่งที่เขาไม่ชอบปุ๊บก็เออวัตถุนอกเขาเหมัวไหล่ก็ไม่เหมือนกันวัตถุใส่ในการ ความนิสัยในการคุ้นชินในการต่อบโต้แบบเดิมๆเมนี่ะมันจะสร้างนิสัยทางใจเวลาอะไรเกิดขึ้นมาผมก็ชอบมีชุดคิดแบบเนี้ยมีความคิดแบบเนี้ยให้เกตุดูกน้องแต่ละคนสิเวลาเราพูดอะไรปุ๊บมันจะคิดทุกคิดแบบเดิมก็มันแหละไอ้คนไหนตอต้านก็ชอบต่อตาอ้านเยอะเนี่ยไอ้คนไหนจะตามก็ตามเยอะเนี่ยหละคนไหนไอ้คนไหนที่มันดื้อเงียบคนดื้อเงียบอย่างไงี้เนี่ยไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรข้นมาปุ๊บมันจะมีนิสัยตัวเนี้ยเพราะมันโผล่โผขึ้นมาดเรื่อย เพราะหังฝ kh ืนนิสัยเดิมของเขาที่เขาชอบตอบสนองเราบ่อยๆบ่อยๆบ่อยจนเป็นเป็นความเคยชินจนเป็นอัตโนมัติจะเป็นออโต้จนเขาไม่รู้ตัวเหมือนเราด้วยแหละเวลาเข้าไปในเข้าไปในสนใจคนเยอะๆจะดึงตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าเวลาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์คนเยอะๆก็ลืมตัวเองไปเลยมันไม่ได้ใจใหม่แต่พอเราฝืนนิสัยใหม่ในการอุ้เราเขาอุ้เราเขาอุ้เราเขา มันจะเข้าไปมันยังห า, งหาจุดจุดรู้ไม่ได้จุดจัดอีมมตดว่าวิ่งไปเรื่อยๆคนนี้พูดคนนั้นพูดเราก็จะต้องอั้งสมาธิแล้วก็คิดว่าเออเราจะมูฟเขายังไงหรือเขาอยากเขายังไงหรือทำอะไรต่อเนี่ยมันหาไม่เจอว่าเวลาออย่างเงี้ยมันจะเอาไปจับตรงไหนดีเพื่ที่ให้มันมันเล่นนะ <c oughs> แล้วต้องทำบ่อยๆก่อน เออเออตอนเนี้เราต้องทาตัวนี้ชํานาญก่อนฟังให้ชํานาญอืมเข้าใจก็ฟังให้ชำนาญถ้าเราใช้คูเยอะๆหัดฟังทีละขณะทีละขณะทีละขณะนั่นแหละแต่เดี๋ยวมันจะชนานาญในการสรุป<ฟ> เ, รเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาพูดอย่างไี้หมายความว่าอมันจะสรุปของเขาเองเรื่อ ง, องฟังให้ชํานาญหัดฟังให้ชนานาญแต่การฟังชํานาญแต่การฟังชํานาญนะ มันต้องรู้ว่ารู้ว่าเห็นการเห็นว่าเห็นมันต้องรู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่นด้วยเรามีร่างการนั่งฟังเขาอยู่ด้วยไม่ใช่ฟังจนลืมกรทั้งตัวเองเองเลยแล้วก็ววคิดไปตามเขาือคิดหาวิธีที่จะอะไรจัดการกับเขาจนลืมไอ้เจ้าคิดอันเนี้ยเราชำนาญมากเลยเพราะเราเคยทำบ่อยๆ คิดในแบบเราว่าเราอยากจะได้แบบเนี้ยถ้าคนนั้นเขาคิดไม่ตรงกับราปุ๊เนี่ยเขาจะวนเราเลยทันทีเลยนะคะกับเอ ย, อย่างที่พระจ้าพูดว่าส่วนประกอบเราต้องการให้มันเสร็จในวันเนี้ยโดยวิธีเนี้ยโดยแบบเนี้ยแต่เขาคิดไม่ทันเขาอาจะบอกเขายังไม่ทำอย่างนี้เหมือนกับมันไม่ตรงกันอืมแต่แแแเราเรามีสิทธิ์บังคับก็ได้ไหมล่ะก่งจัดการ แรงเยม่บางทีก็ตามมามันบางทียอมก็ไม่อะยอมวันนี้วันนี้อยากใช้อาจารย์บอกว่านี่แต่งชื่อเทียบพิธีเราก็ไม่ดีทไเลรับเนี่ถ้าที่เขาไปอยากให้มันเสร็จเขาจะไปทางานอื่นแต่เาก็ไม่ดีทำเลครับแต่เนนี้เขาจัดการเราไม่ได้เขาก็เลยต้องยอมส่งมยอมไป เราก็รู้นะเรารู้นะมันดีเราก็อยากจะทําให้เหป็นกันแต่เราคงมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเหมือนกันคือบางคนเน่ะเขามีเรื่องในหัวเยอะอ่ะอืมมันไม่มีหัวสมองร่วงไปบ้านไม่ไม่รักรู้ไป่จำอะไรอันทั้งหมดเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราบังคับแต่ก็บังคับไปเอาเหตุผลใจบังคับได้ก็บังคับไปเรื่องการเรื่องงานเอะไรไปไหนเพราะว่าเหนื่อยไปหลับไปจับทีนก็เหนื่อย แต่ทีนก็เอ้าเราตั้งหวังว่าทุกคนควรจะรู้หน้าที่แต่พอไปเจอเอ้าหมดเรียวหมดแรงกลับมาเลยแล้วถ้าทำไมทําอย่างนั้นพวนั้นก็ไปเดินอีกใช่มันแคันแค่เป็นคนขาดการอนเตอร์เน็ตเพราะว่าค่ะเพราะว่าอะไรทีจะแบบเพราะว่ามันมันงานงานขนหนักเนี้ยค่ะเพอมันใกล้ที่แบบว่า ถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบเอาให้แม่นเลยตื่นก็ได้แบบเนี้แบบนี้แบบนี้เท่งนี้เท่านั้นไม่งัน้นมันไปต่อไม่ได้มันจะมีบทลงโทษเลยอย่างงี้ยาอาคมของไม่ทนโดยปะเบ็นต้องใช้นี่ใส่คนไทยนี่ใส่คนไทยมันเป็นอย่างไรใช่ไหะมันต้องนู่นแหละเส้นอยกได้มแปลกแต่ที่จะเริ่มทํา ใช่ยังไม่ไมีมาการตายมันยังไม่เอาที่เคืที่ใส่พื้นเดิมของคนไทยนนจริงๆเออเราองรู้จักที่ใส่ครับเราก็ต้องไปหาบทลงโทษหากติกาหาเงินไขของมันนี่นี่คือของมันอันหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเราต้องฝึกตัวรู้เราให้อยู่ในปัจจุบันให้เข็งแข็งอืออือ่องันตัวนี้ไม่แข็งแข็งก็ไหลไปกับอารมณ์หมดแล้ว ลื่อเป่ยวเรื่อยกับตัวรู้ธรรมชาติเน่ยมันเป็นธรรมชาติหรือยังตัวรู้ทําขึ้นกตัวรู้ธรรมชาติแต่มันสอดคลองกันไหมบางทีนะเราให้ชาติตัวเรทําขึ้นนันมากกว่าตัวรู้จากธรรมชาติเพอธรรมชาติปุ๊เราจะเผลิเพลินไปด้วยไม่ยอมแต่เราสริมตัวนี้ให้มันมากเข้ามากเข้ามากเข้าเดี๋ยวพฤติกัรมมันก็จะดีขึ้นคต่อครับเออ มันมัเกี่ยว่องกันไหมคะวทําทําขึ้นเยะมันจะทำให้ธรรมชาติดีขึ้นหรือว่ามันแย่เนี่สังเกตดูทําขึ้นเยอะเข้าเยอะเข้าใช่ว่าเจตนากับรูปแบบของการกระทํามันจะไปบังธรรมชาติอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอืมเจตนาที่ตั้งใจทํากับรูปแบบอ่ะมันจะไปบังธรรมชาติแต่ถ้าไว้ไม่ทําเลยเนี่ย ไอ้ธรรมชาติที่ไรเจตนาไรความตั้งใจก็ไหลดีอันต้องใส่ฮเข้าไปด้วยแลก็ฝึกสองอย่างเนี่ยให้ให้สนคอกันไม่งั้นเจตนาควาตั้งใจมันจะไปบังตัวธรรมชาติพอเลิกเจตนาเลิกเลิกรูปแบบปุ๊บลืมไปเลยทีนี้อืมแ้่ เราทำแบบพอดีพอดีอทั้งขมแบบและดีกว่าที่แบบวาเป็นแคู่กแบบอย่างเดียวอยีกถึงว่าธรรมชาติอางเดียวใช่ไ<ง>เอ อ, เ อ, อใช่เลยเรต้อ ง, ต, องต้องการให้สองอย่างเนี้ยเสริมธรรมชาติให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ลดรูปแบบให้น้อยลงแต่เอารูปแบบกับธรรมชาติเนี่ยให้มันกลมกล่อมอ่ะผสมยังไม่มมเค็มเกินไปหรือจืดหรือหวานเกินไปสิผสมพอดีพอดีเนีย่ยมันจะได้รสชาติที่ดีหรอกไม่อันไหนเข็มอันไหนหวาน บางทีเราทำเราก็ถามจริงจริงจงจริงจริงจริงจนเคียดเวลาทิ้งจนกระนด็นไม่เอาเลยเนี่ยก็ได้ขอามไม่ดีอ่าเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วทุกทีเลยล่ะก็ยาเรียนชากเรียนชาเรียนชาโอเค เอาคุได้ก่อนนะคค่ะครับกุณพระคุณครับเป็นไงบ้างาถ้าการนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ในแต่ละวันตอนเช้าค่ะจะได้เดินส0ินาทีทุกวันค่ะแล้วก็าาวไป ท, ที่บ้านที่บ้านจะไหวมากเพราะว่าอยู่มีเสียงนกมีลมพัด ก, กายอะไรเนี่ยเสียงมันก็จะเร็วมากแต่ก็อเอาผ้าเราไปหยุดแต่ก็เดินต่อ แล้วหลังจากนั้นก็จะทํากิจกรรมซ้ำๆซึ่งกิจกรรมซ้ําๆได้ประโยชน์มากอย่างเช่นขึ้นขึ้ น, นลงบันไดเนี่ยค่ะทุกครั้งที่ขึ้นลงบันไดก็จะขึ้นไปถึชั้นหนึ่งไปชั้นสองเนี่ยก็จะฝึกหลังจากนั้นนีพอฝึกบ่อยๆมันก็จะรู้ตัวพอเดินขึ้นบันไดข้ามพวกมันก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ผะตัวรู้มันก็จะเกิด อย่างหรือล้างมือค่ะตอนนี้ที่สังเกตนะขึ้นบันไดเนี่ยจะรู้ตัวเลยมากหรือล้างมือพอเริ่มน้าสัมผัสมือก็จะรู้ก็เลยรู้สึกว่ากิจกรรมซ้มๆได้ประโยชน์มากส่วนตัวฝืนเนี่ยค่ะตอนที่เริ่มฝึกเนี่ยจะแค่รู้เหมือนกับเกิดอยากมีความอยากขึ้นมาอยากจะได้นู่น น, นี่นี้ก็ก็รู้ว่าอยากเนี่ยค่ะแล้วพอพอ ยังไม่หา ย, ยก็ดูใหม่ดูใหม่นายที่สุดมันก็จะหายไปแต่คราวนี้พอพระเจ้าหลับลองฝืนดูพอเกิดกระหยากรึกก็จะไม่ทำํำมันก็จะมีตัวนมาบอ ก, กไม่ทําดูซิแรกๆมันก็จะคือนเหมือนมีมีระดบับอ่ะถ้าถ้าไม่สําคัญมากอะไรก็ง่ายาไม่ทำก็อาจจะดูไปดูไปแต่ถ้าอันไหนที่แบบมันจะไวามากเหมือนอยากมากเงี้ยมันก็ไม่ทำ ก็ก็ทำไปแต่ว่าการฝืนก็ก็รู้สึกได้ประโยชน์เยอะเพราะเพราะว่าส่วนมากตัวเองเนี่ยที่จะไม่สำเร็จเลยก็เรื่องเรื่องในี่ยค่เรื่องอยากจะได้อะไรก็จะดี๋ยวมิสั่งทางอินเทอร์เน็ตเนีก็จะก็จะสั่งแล้วพอมามันก็เป็นขยะมันเหมือนแค่อยากได้ตรงนั้นพอแต่ในประโยชน์จริงๆมันไม่ค่อยได้มันก็ว่าเป็นขยะที่บ้าก็มาดูจเฉยๆมันตั้งไว้เฉย แล้วก็จะอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมาการไม่รู้ทันมันก็มาเป็นสิง่งไม่จําเป็นที่บ้านอห็นโทษบ่อยๆอย่างี้แหละครับไม่เห็นโทษมันบ่อยสื่อตัวสื่อนี้ก็จะมีที่ทําไม่ได้เลยก็ก็ยังเป็นอยู่กับที่ว่าเหมือนกับอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วอยากพูดแค่มันเห็นแล้วว่ามันอยากพูด แล้วก็รอห้ามหรือเอ้ยไม่พูดซีอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดฟังไปเรื่อยๆก็ฟังก็เหมือนกับเวลาที่อยู่กับเพื่อนก็จะฟังฟังเหมือนก็รู้ตัวว่าอยากพูดก็หยุดอย่างเงี้ยก็สุดอย่างเี้ไม่ทราบถูกเปล่าอาจารย์อืออถูกแล้วถูกแล้วจริงๆคุต้้เนี่ยน่าศึกษาหนึ่งถูกแล้วล่ะที่กิจกรรมซ้ำๆเช่นขึ้นลงบันไดทุกครั้งให้รู้สึกที่ตัวให้ได้ล้างมือทุกครั้งให้รู้สึกตัวให้ได้ไอ้ตรงเนี้ย มันเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยทุกคนเราเราฟังฟังแลง้วลองไปหัดดูนะคือกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราทำซ้ำเช่นทุกครั้งที่เราดื่มน้ําเนี่ยเราจะพยายามรู้สึกกับการดื่มน้ําให้ได้ทุกครั้งเลยเนะียตรงเนี้ยทําซ้ําไปป่อยเข้าไปปล่อยเข้าเดี๋ยวตรงจุดนั้นแหละจะไปจุดเกิดสติจุดนั้นแหละเป็จุดเกิดเกิดตัวรู้ได้เสอ้ยเอ๋ทีนี้เวลาเราหัดเนเวลามันจะสั่งซื้อของอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยหัดรู้สึกตัวให้ได้ มันมันมีที่บอกอะมันมีระดับความอยากอ่ะถ้าอยากมากนมันไม่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยจริงจริงจริงครับค่ะจริงจริงเนี้ยเราไม่ได้เอาให้มันอยู่นะแต่ระวังกายกรรมวิจิกรรมไม่ให้ทำต่างกับหอแล้วหรือไม่ทันระวังเลยไปเลย แต่โดยภาพรวมคิดว่าดีขึ้นนะคะพระจานทร์เพราะถ้าย้อนหลังไปถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่พระจันาร์ยังให้สื่อนะคะจำได้ว่อยากได้แล้วก็ซื้อทันทีเอามาอยู่แต่ใคงเนี้ยที่จานทร์มันยังมีอะค่ะมีตัวที่มาบอกเอ้ยออนนั้นให้หยุดเงี้ยลองดูเออเพิ่งมีตัวสติเกิดมาถัดทวงกันมาบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะ มีเพียงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถมันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะหยุดได้เลยเี้แต่แต่อยา่างว่ามันรู้ตัวค่ะพระจานทร์อืมดีแล้วอืแต่ว่าไอ้ความรู้ตัวแบบธรรมชาติที่เราจากการดื่มน้ําหรือจากการขึ้นลงบันไดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติขึ้นไหมอ๋อเป็นธรรมชาติขึ้นค่ อ, นนนนอเดินพอก้าวขาปุ๊บขึ้นบันไดปุ๊บมันจะมาเลยว่านี่คือขาเทา้า ขึ้นใหม่วก็รู้กิจกรรมพวกนี้จะชอบ ม, มากพอรู้สึกว่ายิ่งฝึกมันมันเกิดขึ้นได้ดีความรู้ตัวอืเนี่ยเออๆนะถูกแล้วเออถ้เราทำได้บ่อยๆอ่ะดีขึ้นคือา ก, ากิจกรรมทั้งหมดให้รับรู้จังหวะสองอนะจังหวะสองแค่ก็เ<ช>กิดก่อนแล้วรู้เกิดแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้บ่อยๆลองลองทำจิตจิตจิตใจนี้เกิดก่อนแล้วรู้พอละเกิดก่อนแล้วแค่รู้พอแนะค่รู้พอ ไม่ทำอะไรกับสิ่งที่รู้ทั้งนั้นแหละเพราะปกติของจิตน่ยคือแค่รู้พอแล้วถ้าทำอะไรกับสิ่งที่มันรู้นะมันจะผิดปกติเันทีเช่นเราปกติเรารู้่าเราอยากแต่เราไม่ไปทำอะไรกับมันนะนั่นแหละเอาพอแล้วไม่ตามตามมันไม่สมยองตามมันแค่นั้นแหละพอแล้วแค่รู้ว่าอยากแค่ได้พอแล้วจิแตแต่ไอ้ตัวรู้ของเราเนี่ยมันจะมีสมาธิมากขึ้นแม่พ่ แค่รู้เนะ่ะมันจะเริ่มมีกำลังในการแยกออกไปจากความอยากเลื่อนขึนความอยากไม่เกี่ยวข้องกับความอยากได้เดยรู้ว่าหลงกลงนะ็พอแล้วเออในหลงรู้หลงพอแล้วเอออันนี้อาการหลงนะพอแล้วไม่ต้องไปหลงแล้วไปโทษตัวเองว่ไม่น่าหลงเลยไม่น่าหือเลยไม่น่าเสียท่าเลยอะไเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามไม่ไม่แค่รู้แล้วล่ะมันจะไปทําอะไรต่อแล้วครั้งต่อไปมันจะค่อยๆระวังแล้วมันจะค่อยๆแทรกแทงความหลง แต่ที่จะศึกษาความรหงอุลวงของอะไรประมาณเนี้ยอืมดีมากเลยอืมฝ <c oughs> ึต่อฝึกต่อดีเลยล่ะ <c oughs> ระบบแบบเนี้นะทุกคนนดีทั้งหมดเลยแต่ก็ฝึกต่อเรื่อยๆเราจะจะค่อยๆเห็นพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆเราอาจจะมีโอาสเข้าไป <c oughs> แต่เราอยู่บ้านอย่ชอบเอาฝึกได้ <c oughs> นี่อะไรอีกไว้ก็ก็ถ้าจะมีเรื่องความโกรธนะคะอาจารย์ ปกติจะค่อนข้างรู้ตัวแล้วก็พอรู้ความโกรธมันก็ดูมันก็จะหายไปแต่ว่าอพอดีมีเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ที่เหมือนกับว่ามันไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะจะหลงไปไปนานอะ่ะอยู่กับความโกรธแล้วก็สแสดองออกทางทางสายตาหรืออะไรเนี้ยกับกับคนที่ กระทำกับเราก็เลยมานั่งนั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะเหมือนเราตอนแรกค่อนจะบอกให้เป็เหมือนกับว่าความโกรธอ่ะมันแรงมากก็จะรู้ตัวอย่างรวดเร็วค่ะส่วนมากก็จะก็จะดูแล้วก็หายไปได้แต่มันก็จะมีบางครั้งที่มันไม่หายก็เลยแตกใจทําไมถึงไม่ทำอย่างนี้นคะใช่บางครั้งมันจะหายบ้างหรือไม่หายบ้างไอ้เรื่องของมันมันจะหายบ้าง แต่ม่ใจ่เรื่องของเรานะนั่นเป็นเรื่องของตัวสติมันแต่เรื่องเรื่องของเราคือเรื่องการกระตุ้นให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันกระตุ้นให้มันเป็นตัวรู้เบอร์จัตตาชานี้เป็นเรื่องของเราส่วนจะทันหรือไม่ทันเนี่ยบางครั้งมันตาจจะเหตุการณ์ตัวนั้นอาจจะจุกเฉินทันกาะทันหันรวดเร็วและกระุนแรงเราอาจจะไม่ทันก็ได้แต่บางเหตุการณ์อาจจะค่อยมาค่อนเดิมอย่างนะ แต่ตัวนี้เท่านั้นเองแล้วกระบวนการในการจัดการของเขานะ่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งไม่ใช่ที่ไม่ใช่เราจัดการเราเราเป็นแต่กระบวนการสร้างเหตุกระบวนการสร้างเหตุจะทำอย่างไรเราจะฝึกตัวรู้ของเราเนะี่ยให้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้ที่เป็นธรรมชาติแบบรู้ที่ทําขึ้นเนี่ยสังเกตมันดีๆพอตัวรู้ที่จะเป็นธรรมชาติแต่มันจะเบามันสบายมันไม่เะเลาะกับอะไร รู้เป็นธรรมชาตินะนจะรู้ซื่อ ๆ, ๆง่ายๆเบาๆสบายและก็ไปทะเลาะกับอะไรแต่สรู้ที่ถามขึ้นเนี่ยบางทีมันทะเลาะกับตรงู้ทะเลาะกับตรงนี้จะจัดการอารมณ์จัด ก, การอันนี้เนี่ยไปเป็นตัวรู้ที่ดำดิ่งอือตัวรู้เป็นธรรมชาติจะเบาสบายแล้ะไปทะเลาะกับอะไรแต่สิ่งนั้นมีอยู่นะแต่ฉันก็รู้อยู่แต่ฉันไม่ได้ไปทะเลาะด้วยแต่ไปอยู่จะแต่งสระเนี่ไอ้เจ็บเป็นคุชชีดกับตรงนี้ให้มากและเดี๋ยวมันจะกลับมาเองมัน แต่เดี๋ยวมันจะเป็นไ ป, ไ ป, ไปเองว่าพวกมัรู้จักเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้นะใช่ค่ะจริงเลยค่ะ <c oughs> แต่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราฝืนกิจกรรมวิจิกรรมมโนกรรมบ่อยๆไอ้ตัวนี้จะเกิดปรากฏขึ้นบ่อยๆในความคิดดธรรมชาติจะปรากฏขึ้นได้บ่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ฝืนตรงนี้พวกสัญตญาณในการตอบโต้เราเนี่ยจะเอาไปกินมดไอ้ตัวรู้ดวงธรรมชาติมันจะหายไปอ่ะใจเนาะ เข้าใจมีอะไรอีกไหมไม่มีนะคะก็ค่อยเติมการเรียนรู้ต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยก็ค่อยเติมการเรียนรู้ไปด้วยนะภาคสามนี่คือเติมการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะไปทําอะไรมันเรียนรู้ที่จะแต่าภาคสามเรียนรู้ที่จะไม่ทําอะไรมันเรียนรู้ที่จะดูมันเรียนรู้ที่ศึกษามันเรียนรู้ที่จะเห็นองค์ประกอบของมัน เรียรู้ที่ใชมันแสดแงตัวมันอยากเต็มที่เลยแต่เราไม่ทําอะไรเราแค่เรียนรู้มันเฉยๆตัวมันเฉยๆขั้นสามในเป็นขั้นการฝึกฝนให้มันเห็นปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราคุบคุมกิจกรรมวัตถกรรมได้ดีแล้วเนี่ยเรารู้จักรู้สึกตัวบบธรรมชาติมาเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาเกิดไปเถอะทาใจแบบนักเตะนักเตะหน่อยเอามาันเลยเชิญเลยดูซิจะเป็นไงจะไปจัดแต่เท่าไหร่ เดี๋ยวก็ไปแล้วประมาณนะั้นอ่ะเออเป็นไงบ้างตอนการใช้เอ่ออนฝึกซนะักคุยก็จะเป็นการใช้รูปตัวรูนอกรูนายนผ่าการเป็นส่วนญจะบอกมีการฝึกขอยทีกประรรมร้อ ย, ยแล้วก็ฝึกรูปแบบวลาละส0นาที แในเดือที่ผ่านมาเนี้ยก็คือมีจิตอ่อนทนมีความตั้งใจรถน้อยลงก็ทําให้แบบการฝึก่อนหน้านีายก็ทําได้ไม่สมบูรณ์ก็อาจารเด็กก็เืองมาจากว่างานที่มันเป็นช่วงก่อนอันนาทึนยุ่งเป็นวันๆแต่ว่าแต่ว่าช่วงเดียนที่ผ่านมานี้มันจะเป็นย่วงตลอดหลายวันแล้วก็เราลึกอยู่จะเหมือนนะคะว่าจะต้องทำแต่ว่าตัวเลขที่ได้จากการโคตรไหร่ก็จะมาจากการขับรถนะคะที่จะ กิจกรรมอื่นเนี่ยคือจะไม่ค่อยได้ใช้เลยะส่วนเรืการึกเนีก็จะได้บ้างไม่ได้มาตามตามอย่างอย่างที่เออนนท่ตอนนั้นบอกก็คือแล้วคําอยากด้วยค่ะแต่ว่าเริ่มเรื่เรื่องการคิเื่อการนอนที่แบบว่าความ่วงแล้วก็เรื่องคํามตานต่วนอื่ก็คือ จะรู้ตัวแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็การฝืนเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งเป้าหมายไว้นี่ันก็จะมีความกัดเจมีกระเจิดที่จะทำคื่เช่นอาจจะแบบฝืนไม่ดูโทรศัพท์ระหว่างทางานอีชั่วโมงแล้วก็จะตั้งเป้าอยู่ถ้าถ้า้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้าถ้าถาถาาาา ไม่คิดถึงเพาะมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วค่ะก็ก็ทำต่อไปอะค่ะก็ะทําทําพยายามทำให้มันต่อเ น, นื่องมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ทําต่อไปดรื่อยะคะอื ม, มหลังจากสูญเสียที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองก็คิดว่าการสูญเนี่ยถ้ายลังมีเป้าหมายที่จะถึง ก, ก็จะช่วยได้นในส่วนขวดในส่วนของการพัฒนาเนี่ยไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าดีขึ้นหรือเปล่าค่ะแต่ว่า โดยรวมแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการฝึกตั้งแต่ต้นแล้วก็อริมปฏิบัติแล้วก็เรียนดีต่อไปมีรายแล้วก็ทักทายก็รูเสิดก็คงจะฝึกต่อไปนะคะแล้วก็ฝึกฝืนในเรื่องอดีตมากขึ้นอืมอืมอือเข้าใจไหมหลักการในการฝึกฝืนเนี่ยฝึกฝืนฝึกฝืนเพื่ออะไร จับจับหลักมันได้ไหมจะฝึกฝืนเนี่ยเรองที่แบบมโนกรรมวิจกรรมที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถือว่าเป็นการจริงๆเน่ยจริงๆหลักการในการฝึกฝืน่ฝึกฝืนที่จะไม่ทําอะไรเลยจับหลักนี่ได้ไหมฝึกฝืนที่จะไม่ทําอะไรกับสิ่งนั้นเลยอ่ะหลักการการฝึกฝืนเนยฝึกเฝืนเช่นอารมณ์เกิดขึ้นมาปั๊บเราฝึกฝืนที่จะไม่ทําอะไรกับอารมณ์ อารมณ์อันนั้นเลยความอยากเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะฝึกฝืนที่จะไม่ไม่ทําอะไรกับลมอยากเลยเนี่ยความคิดเกิดขึ้นมาเราฝึกฝืนที่จะไม่ทําอะไรกับความคิดเหล่านั้นเลยเนี่ยเพราะว่าเรามีสัญชาตญาณในการตอบโต้ชนิดหนึ่งที่มันเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะมีการตอบโต้ในการที่จะเข้าไปทําอยู่ตลอดเลยสังเกตดูไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเกิดต่งางๆอูจมุกวิญญาณเป็นอารมณ์อะไรก็จะมีการ เข้าไปทําก si ับมันอยู่เรื่อยๆเข้าทำอยู่มัเรื่อยๆแต่พอเราฝึกฝนปุ๊บที่ให้ลดการตอบตัวนี้ก็ฝึกฝืนปุ๊บเนี่ยจะฝึกแบบไม่เข้าไปทําอะไรกับมัเลยโดยเราจะควบที่เราจะควบคุมก็จกรรมวิธีกรรมโนกรรมเอาไว้เนี่ยก็สามตัวเนี้มันเป็นตัวมันเป็นตัวส่งเสริมส่งเสริมให้จิตใจเราเข้าไปทําอะไรก็ได้หรือไม่เข้าทําอะไรก็ได้เพราะว่าสองไอ้กิจกรรมกับวิธีกรรมเนี่ย มันเป็นตัวเป็นตัวกระตุ้นให้อารมณ์นั้นเกิดไปบ่อยแต่พอเราฝึกฝืกนเพืนะ่อนไม่ทําอะไรกับมันเลยเพื่อปัจจัยตัวที่สามคือจะได้ต่อไปเมื่อไม่ทาแล้วจะได้เรียนรู้กับมันอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่ได้เป็น น, นี่คือใจใจการฝึกฝืนนะอฝึกฝืนเะนี่ยฝึกฝืนที่จะไม่ทําอะไรกับมันเลยนะเรื่องข้างในทั้งหมดเนะี่ย เราแบ่งภาคเป็นสองภาคอยูเราแบ่งภาคนอกกับภาคในภาคในทั้งหมดนะอาตรมทั้งหมดเราจะฝึกฝืนกับมันที่จะไม่ทําอะไรกับมันแต่ก็ไม่เปฏนจิตใจมนด้วยแต่ภาคนอกกับภาคภาคอะไรทั้งนั้นไทยนอกไปนะบางทีเราฝึกฝืนเยแล้วก็ฝืนไว้แล้วคันจะควรจะทํายังไงกับมันเนี่ยก็ดูเหตุการณ์แต่ละแต่ละจังหวะแต่ละเรื่องราวไปเท่านั้นเองยังฟังอยู่ไมฟังย เมืนกับว่าถ้าเราแบบอยากพูดแต่ว่าเรารู้ว่าเรามันพูดไม่ดีแต่ว่าเราก็ยังรู้ตัวแต่ละาต้อปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติคือเนี่ยอยากพูดปุ๊บเนี่ยไอ้การอยากพูดเนี่ยมันมีความอยากพูดอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่เอาปจัจจยกรรมของวิจิกรรมออกไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนั่นแหละเพื่อการไม่สมยอมกับมันไม่ทําตามมันเพราะมันยังไม่สมควร เมื่อเราตัวใตอ้องด้วยเหตุผลแล้วมันไม่สมควรทำเพราะมันจะมีโทษมมกของามีคุณแล้วก็เลยหยุดมันอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแค่แแวัฟเดียวเนี่ยไม่ได้เข้าใจเองว่าเรื่องนี้ควรพูดไม่ควรพูดเพาวเออแบ่กมันกปไม่ห้อไปเลยอคหลักๆขมันคือ ฝืนสัญชาตยาณในการตอบโต้ในการทําตามหรือในการที่จะแจก้ไขเรื่องมีสัญชาตยาณญาณของเราเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นคิดความคิดเกิดขึ้นเราก็จะมีสัญชัตยาในการตอบโต้มันอยู่แล้วเสมอเสมอไม่เอากายไปทออาําก็เอาวจีไปทําไม่เอาใจไปทําอย่างเงี้ยเวลาเห็นอะไรพวกพระเจ้าคิดปรุงแต่งนวันนี้นั่นกันอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่พอเราฝึกฝืนเนี่ยเราจะไม่เอากายจะทำวจีกรรมไปทำ เาจะยิ่งฝึกให้จิตไม่ทำอะไรกับอารมณ์พวกนี้ได้มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่เนี่ยแลวเดี๋ยวมันจะมีสติปัญญาในว่าควรจะทำยังไงกับมันดีตอนนี้เวลานี้ขณะ น, นี้จังหวะนี้ถ้ามันนี่ถ้าตอนนี้เวลานี้ขณะ น, นี้จังหวะนี้ไม่ควรทำอะไรมันก็จะปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งไปเลยแล้วก็รอจังหวะใหม่จะกขึ้น น, นี่ประมาณนี้นะเวลาถ้าเหมเรา ก็ด ว, ว่าโกรธแต่ว่าเราจะเราไม่ไปสดใจควาโกรธตรงนี้ค่ะอืมแล้วทำหน้าที่รู้เรื่องอื่นต่อไปทำหน้าที่รู้อยู่กับปัจจุบันทําหน้าที่อยู่กับตัวรู้ไปความโกรธก็ปล่อยให้มันโกรธไปแต่เราไม่ได้ไปทําตามที่เฉยๆเราทําหน้าที่รู้ของเราต่อมันฟัองยากนะคือคนเรียนจะไปแล้ว มันไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอกลับไปทบทวนบางทีมันก็เข้าใสแ ต, แต่ว่าไม่แน่ต่ว่าเขอยใจ่ในสิ่งที่อยากมีการแนะนำหรือาอย่างเขาที่แล้วค่ะที่ที่คุยกันเรื่องสิ้เื่อนถาวรว่าลดเจตานานลงแล้วก็วิการลบโลก้ธรรมชาติทางการรุนวยนะคะเป็นงานก็เป็นตรนช้าตืขึ้นมาผมก็ถึงรเช้าตื่ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะถี่ว่าจะดูคีม่ีีไม่มี มีวันนึงีื่้นมาแล้วรู้สึกว่าเอมันมีเึงแล้ว่แล้วเราก็ลุกขึ้นมาเลยไม่มีการเีงเลยอัน่ี้คือไม่แต่ว่าอันนี้เป็นการทำอไรนันคืเป็นการลดแรงงานหรือการลงอ่นั่นแหละจิตคือจิตมันจิตมันนะแมจิตมันฝืนไม่ได้จิตมันปืนไม่ได้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่เข้าทุกก่อนจะมาเป็นอย่างเงี้ยมันฝืนมาใช่ไหมใช่แล้ก็เยก็ไปเสียกันมแต่ละมีวันนึงตัวนใช่ไหม แต่เวลาแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำวะเจ็บต่อต่อก็ไม่รู้ค่ะนี่แต่มีวันหนึ่งมันลุกขึ้นมาเฉจเลยเมันรู้ว่าเออมันจะไม่เสี่ยงละแต่เราจะต้องลุกแล้วเลยอย่างเนี้ยอืมออมันมันก็เป็นธรรมดาขมนเนข้ามาในแหละเขาเจตนาไมายควาว่าเจตนาจริงๆคือเราต้องใจด คือเราตั้งใจจะทําตั้งใจจะทํานั่นจะตั้งใจจะทํานี่จไม่้งใจจะทำโนโ้ตการไม่มีเจตนาคือทําไปเลยเอออยู่เฉยๆก็ทำเออทำไปเลยโด ย, ออ ไ, ย, ยไม่ได้มีเจตนาแลทั้งสิ้นบังอย่างที่เราพูดเนี่ยแหนมันเรียเจตนาแต่เป็นการกระทําไปเลยแต่แรกๆมีเจตนาอยู่แต่วพอเจตนาปุ๊บมันเสียงกันปล่อยเข้าปล่เข้าไปเข้ า, ขาวันดีกันดีมันลุกขึ้นมาเฉยๆ พางทีเ็อาจจะรำคาญมันก็ได้ ข, ข, ขี้เกียจเทียนองมันเดลุกขึ้นมาเลยเ<ส>นี่ยบ่อยประมวลภาพแล้วดีขึ้นอา่าก็ดีนะครับเพราะมันคือจากการที่เราเคยคิดนานๆคินนดอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับมาอยู่กับเรื่องปัจจุบันได้ดีขึ้นก็ทให้เราช่วยกันช่วยกัน ทุกอย่างเนี่ยมันคิดไปเองเยอะอๆคืดๆเราไม่สบายใจว่างุ่นใจหรือว่าทุกอย่างมันมันมันมาจากความคิด อ, อืมอืมอืมเอ้ยไม่ถูกต้องแล้วจริงๆจริงๆไม่ใช่มาจากความคิดนะไม่ใช่มาจากความคิดมาจากเราไปยุ่งกับความคิดความคิดมันเป็นมาอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ยุ่งซะมันก็ก็ผ่านไปเอง แต่ก ใ, ใจเราชอบประยุกตกับความคิดกอบความคุ้นเคยจะนิดหนึ่งของใจอย่าชอบประยุกกับความคิดชอบให้ค่าให้ความหมายให้ความสําคัญความคิดไม่ได้มีอะไรมากแก็แค่ลมพัดผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ ใ, น ใ, นใจเราชอบให้ค่ามันจะเปลนผ่านจมูกเสียงผ่านหูนี่แล้วเด็กเราชอบให้ค่ากับมันมันเลยมีการตอบโต้ ก็ติดรามก็เลยความเคยชินความคุ้นชินเก่าก็เลยทํามาชินกับอะไรกับการต้องคิบางทีมันก็มันมันชอบจะด้ยวยแวตามที่แบบเราจะต้องคิดเออนี่ยแน่ไม่ชอบบางครั้งเราคิด ท, ที่ที่เราชอบชอบเราก็คิดเราก็ชอบบางครั้งคิดเรื่องไม่ชอบเราก็กบบไม่ความไม่ชอบเพราะเราคุ้นชินกับความชอบหรือไม่ชอบ แต่ถ so ้าเราเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยเราไม่ไดเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบแต่เกี่ยวกับความเป็นตัวตนของมันมันเป็นทั้งมันอย่างนี้เราก็เรียนรู้ความเป็นอย่างนี้ของมันแต่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะคือเราต้องมาฝึกไอ้เฝ้าตัวแบบแบบธรรมชาติให้เยอะขึ้นแล้วของตัวแบบธรรมชาติที่เราส่งเสริมในการในการพอกพูนในการพัฒนามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะไปทําหน้าที่ของมันเองไหม เขาสู่ไปธรรมชาติจีะว่าอะไรกระทบแล้วเขาแค่รู้พอกระทบแล้วไปรู้พอเนี่ยเห็นีหยเขาสู่ไปธรรมชาติแบบรู้แบบสิ่งสิ่งที่สิ่งนั้นเป็นยังไงรู้อย่างนั้นเนี่ยไปเขาสู่ไปธรรมชาติสิ่งนั้นเป็นแบบไหนรู้แบบนั้นไม่มีการแต่งต่อหรือมีการปรุงแต่งหรือมมีการเสริมใดๆทั้งสิ้นเขาเป็นยังไงรู้อย่างนั้นเหมือนตาที่เห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นยังไง เช่นเอาตัวอย่างเช่นว่าสมมติเราเราเห็นเก้าอเกสีแดงอย่าเงี้ยพอ เ, เห็นกางเกสีแดงปุ๊บอะเอาแค่ตาเห็นสีไม่ต้องมีเกางเกสีแดงได้ไหมแค่นั้นเองเนี่ยก็เรียกว่าตัวรู้สึกแบบธรรมชาติเนี่ยเขาแค่เห็นอาการของสีปรากฏเขาไม่ได้เห็นว่าเก้าอี้สีแดงน้ำมันเห็นเลยไปแล้วมันมันเลยไปมันเลยไปเลยไก็รู้ว่ามันเลยไปนี่แหละเรียกว่า มันรู้ทางที่มันมันเป็นธรรมชาติรู้ทั้งที่เกินธรรมชาตินี่แหละเป็นความรู้ทีรู้สึกตัวกับธรรมชาติมันคิดก็รู้ว่าคิดแต่ทําไมฉันจึงต้องโมโหกับความคิดหรือพอใจกับความคิดด้วยไอ้นี่แหลมันเกินธรรมชาติมันไม่เห็นคิดเป็นคิดแต่เห็นคิดเป็นพอใจไม่พอใจเรียกว่ามันเกินธรรมชาติพอเมันเกินธรรมชาติ เราเว่อนี่คือเกิธรรมชาติแล้วกลับมาสู่แบบแปลรูโดยธรรมชาติต่อการนี้ย้ำตัวนี้ป่อยต่อย้ำตัวนี้ชัดเจนต่อย้ำตัวนี้จนจิตต้งเสพคุ้นจนจิตก็คุ้นจิตแล้วเขาจะก็พัฒนาตัวเอื่นเองไปเองแทนนะนะโอเคมีอะไรอีกมมีค่ะอีนะไรอีกมอ กอนจุดรูปแบบเนี่ยเป็นเงินจงโกลมถ้าเราเปิดฟังเสียงาษาไปด้วยนี่มันสือว่าเป็นการุกต้งนะคะงเป็นความเคยคุ้ชที่แบบเราจะต้องทาอะไรไหลายอย่างเโกอกาสค่ะบางทีเนี่ยเราก็ลอ ง, ลอ ง, ลองหัดดูบ้างได้หัดตูบ้างเนี ล, ลองหัดตูบ้างหัดแบบลองเปิดเฉยเฉยไม่ต้องเปิดเทปทังก็ได้้องทีฟังไปฟังมาฟังม า, ฟ, งมาฟังไปปุ๊มันจะเป็นธรรมสัญญา ไม่ใช่ธรรมะญาณปัญญาธรรมะญาณปัญญาคือรู้นั่นแหละคือธรรมะญาณปัญญารู้สดๆรู้ท่วนๆรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักนั่นคือธรรมะญาณปัญญาแต่ว่ามสัญญาคือฟังไปฟังมาแล้วไมันก็คิดเข้าใจในความคิดเข้าใจในคําพูดนั้นๆเป็นบางคำอย่าไปมองความคิดมีสามระดับความคิดที่เป็นขยะความคิดเรื่องทํา ง, งานความคิดเรื่องตอบโจทย์ปัญหาที่อยู่ๆแล้วมันมีอะไรขาดใจแล้วมัตอบอ้ออันนี้เอง เป็นความคิดนึงเหมือนเราทําเราสงสัยเรื่องการปฏิบัติแล้ววันดีเคืนดีเข้ามันมันมันโผล่เป็นคําตอบให้เรานี่ก็เป็นความคิดชนิดหนึ่งความคิดชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่มันยังไม่ใช่แต่อาจารย์ไอ้ตัวไอ้ตัวยานปัญญาไหมว่าไอ้ตัวที่รู้ความคิด ต, ต่างๆามชนินี้เนี่ยเป็นตัวรู้ที่เป็นยานที่เหนือเหนือความคิดรู้ทั้งนี้คือความคิดขยันที่มัน เอาเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้ความคิดเรื่องการงานเป็นเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นเป็นเรื่องเป็นดาวมีกระบวนการจนจบลงแต่ความคิดที่มันมันอะไรมันมันผุดโผล่ความเข้าใจวูบเนี่ยมาก็เป็นความคิ ด, คดอีกชนิดหนึงที่มันเข้าใจคอยตอบปัญหาให้เราอยู่เรื่อยๆ เ, เราเคยไหมบางครั้งเรามีปัญหาแล้วเราเฮ้ยแกยังไงนี่เรื่องนี้ แต่ เ, เรากลับไปนั่งสมาธิบ้างหรือทำลืมๆไปบ้างเดี๋ยวสักพักหนึ่งความคิดนี้จะตอบขึ้นมาเิคๆแต่เราต้องดูดีๆจึพอโฟกมแล้วบางทีมันจะไม่ได้มันเหมือนกับมันจะเกิดความคิดอะไรมาในพวงนั้นก็เยอะด้วยค่ะด้วยมันจะแบบไม่ได้แบบเนี่ยเนี่ยเดีย เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ปยายาเข้าไปแทรกแซงกันอีกแล้วไม่ใช่ความ้นึกแบธรรมชาติความรู้สึกที่จะไม่ให้มันมีความคิดเกิดขึ้นของมรู้สึกเปนธรราติพยายาให้มันรู้อยู่แทนที่เดินจงผมเพื่อเดินจงผมมันจะมีความคิดทีืไม่มีความคิดอะไรได้แกงก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราได้ไหมทําอย่างเงี้ได้ไห ม, อ, ไไไหมอืม เร่องเ็กจบผไปเรื่เ็กจบผมเรื่องจะ ไ, ไปเรื่องคิดมันไม่เกี่ยวกันมากหรอมันองเหมือนกับบา่ทีนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับบงีเราแก้อะไรบางอย่างไม่ได้แล้วมันก็มาคิดใจในตอนนะั้นมันก็เลยกำลังก็ยอย่างเี่ที่เราก็ที่เราทำไปถูกหรือเปล่าบางทะรู้แบบธรรมชาติมันเกิดขึ้นเยอะๆนะรู้จังหวะสองอะ ให้มันกระทบกอดแล้วรู้กระทบกอนแล้วรู้กระทบกอดแล ร, ร, แลรู้แบบที่เราไม่ทำตั้งตัวไม่ทำเตรียมตัวได้แต่รับรู้ได้อย่างเดียวอาจจะอย่างเงี้ยบ่อยๆเออเราพลิบตาก่อนเราเคยรู้ลมพัดทุกตัวเราก่อนเราเคยรู้ขับรถไปมันตัดสติเกิดก่อนแล้วเคยรู้อย่างเงี้ยหรือไม่ว่าเข้าห้องพอเข้ามานั่งในรถปุ๊บเปิดฟัดแอร์เย็นฟาบหนึ่นเเน ง, รงเราไม่รู้พอเปิดประตูออกไปร้อนงูบหนึ่งเราวเครู้ให้มันเฉียดสัมผัสอาการตรงนี้บ่อย ไอ้อันหนึ่งน่าทำมากคือเอ่อที่โยกตุ้มทำน่าสนใจมากคือกิจรกรรมใดก็ตามที่เรามักลืมลืมบ่อยๆเนี่ลองหัดกิจกรรมนั้นให้มันฟูสิแล้วมันจะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราดื่มน้ําเนี่ยเราลองหัดดีกว่าทุกครั้งเี่เราตั้งใจไว้ก่อนทุกครั้งที่เราดื่มน้ําเนี่ยจะหัดดูว่ามันสปายชาติห้ได้ให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยถึงไม่เราหัดอันนี้ก็แล้วอัดในใจเสมอเสมอ ว, ว่า เราจะรู้แบบให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้นะให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้นะเราจะไม่ไปดักรู้ล่วงหน้าเรอกหมันจะทำให้มันรู้ขึ้นมาให้มันมีการกระทบก่อนปัจจัยธรรมะกระทบกันปุ๊บเราก็รู้เนี่ยค่อยค่อยฝึกตัวรู้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ในมาสไป อืมอืมเออเราก็เริ่มเราก็เคยเริ่มฝึกตัวอย่นต่อนะเออสงสัยคเอาแค่นี้นะหมดแล้วทุกคนนะเอออนโมตนาทุกคนเนาะเออวันมีความก้าวหน้านะ แต่พัฒ น, นาส อ, อ, อ, อ, อ น, นั่น ค, ค่ะเดมาสักการพ่อจะาจารยค่ะค่ะสาะารุ์าค่ะสาค่ะาุคาุค่สกาค่ะาะคุค่ะะาาค่ะะคุาค่ะ